ท่านเจ้าคุณรองธิการบรดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและขอแสดงความชื่นชนยินดีกับพวกเราว่าที่พระธรรมทูตหนึ่งร้อยสิบสองรูปทุกท่านในวันนี้มาพบกับพวกเราในฐานะวิทยากร าาก็ไม่ค่อยชินกับที่ผมท่านมาเข้าแถวต้อนรับผมสเท่าไหร่เพราะเห็นท่านไปเข้าแถวต้อนรับพระผู้ใหญ่กันจนชินเลยครับเนะมื่อไรเมื่อไรก็เจอเราพวกเราอลนะเขาฝึกท่านอย่างดีทงให้ผมนึกถึงนิทานจีนท่านไป นายอำเภอไปรับตําแหน่งใหม่ที่อําเภอบ้านนอกก็ไปสั่งตัดเสื้อเสื้อคลุมยาวเพราะคนจีนะมันจะเสื้อคลุมยาวไปถึงนักแข่งเลยเป็นเป็นชุดทางราชาการเป็นสั่งตดัดช่างตัดเสื้อมันก็ถาม ท่านนายอำเภอขอทราบว่าท่านเป็นข้าราชการใหม่เก่าเขาไม่รู้ว่าเป็นนายอำเภอท่านขออยากทราบว่าท่านรับราชการใหม่เก่าหรือว่าอย่างไรนายเพื่อก็ถามล้วมันเกี่ยวกับชุดอะที่จะสั่งตัด คืออย่างนี้ครับถ้าเราทราบเนี่ยจะทำให้ตัดได้เหมาะสมกับงานของท่านและจะใช้ได้ระยะยาวอ้าวทำไมล่ะมันเกี่ยวกับใหม่กับเกา่ากลางใหม่กลางเกา่ายังไงก็คืออย่างนี้ถ้าเราเป็นข้าราชการชายแดนเนี่ยเป็นนายอำเภอเนี่ยผมเห็นมาอยู่กันเนี่ยนะถ้าเป็นข้าราชการ ระดับเออไปเป็ น, ปนข้าราชการใหม่เนี่ยผมจะตัดให้ข้างหลังเนี่ยมันยาวกว่าข้างหน้าข้างหลังจะยาวข้างหน้าจะสั้นไม่เท่ากันถ้าเป็นข้าราชการอาวุโสโผู้ใหญ่ผมจะให้ข้างหน้าสั้นเออข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นทำไมงั้นอ่ะ คืออย่างนี้ครับเวลาท่านไปเป็นข้าราชาการเนี่ยข้าเจ้านายชั้นสูง ม, มาตรวจงานนะท่านเป็นข้าราชาการใหม่เนี่ยเขาจะเกณฑ์ท่านไปต้อนรับแต่ท่านก็ต้องโค้งอยู่เงี่ยนะข้างหน้าเลยต้องสั้นข้างหลังต้องยาวเดินตัวงออย่างเงี้ยใช่ไหมแบบกุ้งอนะ่ะเพราะฉะนั้นเสื้อข้างหลังมันจะต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยยาวหน่อยข้างหน้าสั้น แบบพวกท่านเนี่ยหงโยนขึ้นไปหกขาห้างได้ยาวมันก็ถึงพื้นนี่ทา่านจะต้องหงไวสัส้นๆไว้ก่อนจะสําเร็จวิชาธรรมทูตเลยนะ <S <S 1> <S 1> พอพวกนี้เนี่ยท่านสําเร็จแล้วท่านก็ให้มันเท่ากันพอท่านยืนตรงยิง้มบ้างพอต่อไปท่านเป็นเจ้าวาดท่านเดินยืดอย่างนี้ครับข้างหน้าสั้นข้างไอ้ข้างหน้าข้างข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นเข้าใจายังเตรียมชุดไว้ เวลาเป็นพระธรรมทูตเนีอยใช้เป็นหมออันนี้เขาหมายถึงการปรับตัวคนจีนเขาจะปรับตัวการเป็นทูตก็ต้องปรับตัวหน้าที่ของทูตคืออะไรเขาเรียกชื่อท่านพระธรรมทูตงานของทูตคืออะไร ทูคือผู้ส่งสารพระเท ว, เเ ท, วทูตใช่ไหมส่งสารอะไรเทวทูตสี่ส่งสารแห่งอ น, นิจจังของชีวิตให้กับพระโพธิสัตว์มาในรูปคนแก่คนเจ็บคนตาย สารนั้นจะเตือนสติสาระหรือศาสนะเนี่ยเตือนสติพระโพธิสัตว์คือสิท ธ, ธัตถะแล้วพระสิทธัตถะเป็นคนออกบวชเพราะเห็นศารนั้นถ้าไม่ได้เห็นสารนั้นไม่มีการออกบวชไม่มีการลงมือท่านเห็นหรือยังว่า พลังของสารข่าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกให้มีพระพุทธศาสนาเพราะสารที่เทวดาส่งมาตอนพระสิท ธ, ธัตถะไปประพาสอุทยานพอเห็น สารนี้อาจจะเป็นตัวหนังสือก็ได้เป็นภาพก็ได้เป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรก็ได้พอเห็นปุ๊บได้เมสเซจได้ข่าวสารได้สติชีวิตมันเป็นทุกข์จะช่วยคนพุทธทุก์ทำอย่างไรครั้งที่สี่ก็เลยเป็นสมณะมีภาพพระสมณะออกบวช เหมือนกำลังบอกว่าให้ออกบวชนะพระสิทธัตถะก็ออกพนวนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เผยแผ่ประกาศพระศาสนาให้เราได้เข้ามาบวชได้มาเป็นพระธรรมทูตเห็นหรือยังครับว่าการเป็นทูตเนี่ยความสำคัญอยู่ที่ การส่งสารนี่เป็นหน้าที่ที่หนึ่แต่ความสาเร็จไม่ได้อยู่แค่สารที่เราส่งความสาเร็จอยู่ตรงที่บรปปรลุวัตถุ ป, ประสงค์ของการส่งสารก็คืออยากให้เกิดอะไรแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นต่างหาก ยาเปลี่ยนโลกให้เกิดศาสดาก็สงสารแค่รับรู้แต่ไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์เพียงสำเร็จครึ่งหนึ่งแต่ทำให้ออกบวชเนี่ยถือว่าทำหน้าที่เทวทูตสมบูรณ์ความสมบูรณ์อยู่ที่การ เปลี่ยนแปลงคนสงสารถ้าทำได้ดีๆเนี่เปลี่ยนอะไรได้เยอะในประวัติศาสตร์การรบติดพัน์กันในยุคสามก๊ก ระหว่างกองทัพของโจโฉเลื่องจริงในประวัติศาสตร์นะครับมีทหารสองแสงคนกับอีกฝั่งฝ่กของแม่น้ำเนี่ยมีทหารห้ามื่นของซุนกวนจิ๋วยี่และอีกห้าพันของเล่าปีของบิงอยู่คนละฝ่ากแม่น้ำ แม่น้ำขั้นอยู่เนี่ยทำให้ยังไม่รู้แพร้รู้ชนะแต่ศึกจะยุติต่อเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันลบกันขั้นเด็ดขาดทั้งฝ่ายขงเบ้ง จิวี้ออกวางแผนว่าจะต้องให้โจโฉเนี่ยซึ่งเตรียมเรือไว้แล้วเนี่ยนากองทัพเรือคนสองแสนขึ้นขึ้นเรือซึ่งมันมีเรือลำเล็กๆหลายลำเนี่ยนะดา น, น้ามาจากอีกฝั่งฝั่งแม่น้ำซึ่งกว้างเป็นกิโลเนี่ยเพื่อมาตีเมืองฝั่งนี้ แล้วคงเม่งต้องการจะเผากองทัพเรือเผากองทัพเรือของโจโฉการจะเผากองทัพเรือต้องให้เรือผูกติดกันถ้ามันแยกกันก็เผาได้สักหนึ่งในสามที่เหลือมันก็เยอะอยู่ดีก็มาชนะเราได้ ฉะนั้นมันจะต้องส่งทูดไปเจรจาให้โจโฉเนี่ยผูกเรือติดกันฉะนั้นความสำเร็จของของเบ้งเนี่ยมันอยู่ตรงทูดเรามักจะได้ยินแต่ประวัติศาสตร์ว่าผงเบ้งเผากองทัพเรือโจโฉ โจโฉพ่ายแพ้แต่ท่านอย่านึกว่ามันง่ายนะไม่ใช่อยู่ๆเรือมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันลำนี่ท่านจะเผาเป็นยังไงมันอยู่ที่ทำอย่างไรให้ผูเกเรือติดกันตรงนี้สำคัญ ความสำเร็จของกองทัพจนอยู่ที่ลิ้นเจรจาของทูดถ้าทูตที่ส่งไปเนี่ยไม่สามารถเจรจาให้โจโฉผูกเรือติดกันชัยชนะด้วยการเผาเรือไม่เกิด่นั้นฉะนั้นเมื่อวางแผนกันเสร็จทั้งฝ่ายจิ๋วยี่ ขงเบ่งก็เลยส่งนักการพูดให้ปลอมตัวเหมือนกับคนธรรมดาว่าหนีทัพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปอยู่ฝั่งโจโฉแล้วไปเป็นพี่เลี้ยงเป็นกุนซือเป็นคนแนะนำวิธีรบให้กับขงเบ่งอให้กับโจโฉโจโฉเนี่ย มาจากเมืองหลวงเป็นเมืองภูเขาทหารส่วนใหญ่เป็นทหารบกเมาเรือท่านเรือมันอยู่ปากอ่าวคลื่นลมแรงทะเลแบบปากอ่าวเนี่ยคลื่นลมแรงเหมือนทะเลนั่งเรือไม่ใหญ่นะเรือเล็กๆเนี่ยมันโครงเพลงโคงเพลงเมาเรือกันเกือบหมด ถ้าขืนให้ไปรบในสภาพนั้นยกดาบยังไม่ไหวตกน้ำหมดแก้เมาเรือสมัก่อนมันไม่มียานะท่านก็ได้โอกาสของทูตบอกว่าท่านโจโฉจะไปยากอะไร แก้ด้วยการถูรกลเรือติดกันให้เป็นแพรเรือมันจะไม่โคลงถ้าเรือแต่ละลำมันโคลงเพลงโคลงแทงถ้าลงผูกสิมันเป็นแพรยาวเลยเนี่ยเหมือนกับเราผูกเรือเป็นแพรเลยค่ะมันไม่โคลงเแทงนะเออลองทำดูมันจริงเลยทเรือมันก็นิ่งเลยเนี่ยเป็นแพรใหญ่เลยทหารไม่เมาเรือ แล้วก็ถอบ้านพายบ้างดาหน้าเข้าไปหาข้าศึกข้าศึกมันก็เอธนูเพลิงยิงใส่กรเผ า, าหมดเลยทันความสำเร็จของกองทัพฝ่ายของเบ้งเกิดจากทูดคนเดียวจะรึงไว้ด้วยว่าพูดคนนั้นคือเพื่อนของเบ้งชื่อบังทอง เรียนจบรุ่นเดียวกันกับขงเบ้งเพื่อนกันอาจารย์ยกย่องขงเบ้งเป็นมังกรยกย่องบังทองเป็นหงในเทพนิยายจีนหงมันจะคู่กับมังกรมังกรเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิหงเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดินี ความสำเร็จอยู่ที่ทูตฉะนั้นความสาเร็จไม่ได้อยู่ที่การลบอย่างเดียวและไม่ได้อยู่ที่ทูตฝ่ายเดียวส่ทงทูตไปเจรจาถ้าเขาไม่เชื่อก็ล้มเหลวแล้วเชื่อแล้ว ฝ่ายเผาเรือก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใจชจนะเท่ากับศูนย์เปล่าเองเพราะฉะนั้นความสำเร็จของผู้ส่งสารจึงมีสองเรื่องหนึ่งทำให้เขารู้เข้าใจตามสารที่ส่งนั้นสอง take action ลงมือทำ และถ้าดีที่สุดก็คือเมื่อลงมือทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผมยกตัวอย่างเรื่องของเทวทูตที่มีต่อพระสิทธะส่งสารให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเป็นเทวทูตสนะีเนี่ยที่จริงในเรื่องก็คือเทวดาลงมาเนรวิเทศคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ วัตถุประสงค์ของเทวดาบรรลุปเป้าหมายขั้นแรกก็คือหนึ่งให้เข้าใจสารสองเกิดความคิดที่จะออกบวชนี่คือ take action ลงมือขีม่ม้ากันถักกัออกอภินิษฐ์สกลมออกบวชนี่คือ take action จากเจ้าชายเป็นนักบวชเป็นสมณนะ แล้วขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งส่งสารขั้นที่สองออกบวชขั้นที่สามสำเร็จเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้านี่สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเราประเมินความสําเร็จของพระธรรมทูตเป็นสามขั้นกันขั้นที่หนึ่งส่งสารขั้นที่สองเทคแอคชัขั้นที่สามมีคอนซูเควนซ์มีผลที่ตามมา และเราเรียกว่า impact มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบันทองก็เช่นเดียวกันไปเจราจาให้โจโฉชเ ช, ช, ชื่อผูกเรือติดกันหนึ่งเจราจาให้เข้าใจว่าถ้าผูกเรือติดทหารไม่เมาเรือแค่เชื่อนี่ก็คือความสาเร็จสอง take action คือผูกเรือติดกัน แต่ยังไม่มีคอนเควนท์ที่เป็นอิมแพคที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีถ้าขงเว่งไม่เผาเรือเรื่องนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่เงียบไปเป็นฉากตอนหนึ่งที่แค่ผูกเรือลบแต่ไม่มีการเผาเรือแค่เสี่ยงชีวิตของบังทองไปหาโจโฉก็ยิ่งใหญ่แล้ว ยังไปเชราจายให้เขาเชื่อและมีผลที่ตามมานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านมีผลกระทบเมื่อสองร้อยหกสิบกว่าปีมาแล้วทูตศรีรังกามาที่กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเปดิ น, นคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นิมนต์พระสยะามจากอายุทยาเป็นธรรมทูตไปที่เมืองแคนดี้ที่เกาะลังกาเพื่อไปเป็นพระอุปัชฌายบวชสามเณรในอาณาจักรแคนดี้นั้นทั้งเกาะไม่มีพระครบห้ารูปไม่มีอุปชา สมณวงศ์กําลังจะสูนเพราะเหตุที่ต่างชาติเบียดเบียนบีทาจนพระศึกหมดไม่มีใครเป็นอุปชาบวชสมณีนโค้งชื่อสารนังกอนอายุตั้งห้าสิบแล้วยังไม่ได้บวชพระเทศก็เก่งพระเจ้าแผ่นดินก็ถามทำไมไม่บวช ไม่มีพระอุปัชาไม่มีพระพระองค์สองเป็นไอปัญจวัค์แล้วควรจะไปนิมนต์ที่ไหนมาที่จริงก็ไปนิมนต์ที่พมา่าแล้วแต่ว่ายุคหลังตอนนั้นยังไม่ถึงยังไม่สาเร็จสม เ, สเส น, น็จสรานงกรก็บอกว่าที่สยามที่อยุธยาสิเพราะ พระลังกาได้ไปเผยแผ่พุทศาสนาไว้ที่อยุธยาสมัยที่ยังเป็นสุโขทยัยเราก็ทราบกันดีเมื่อเจ0ร้อยปีมาแล้วพ่อพลังกำแห่งมหาราชได้นิมนต์มหาสามีสังฆราชจากนครสีพรชซึ่งไปบวชมาจากละกาดขึ้นมาสอนศาสนาแบบให้กับสุโขทยัย วางรากฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงให้พระุทธศาสนาเป็นลังกาวงนี้เจริญในประเทศไทยมาจนปัจจุบันนี้ฉะนั้นพูุ้ทธศาสนาในประเทศไทยจึงเรียกว่าลังกาวงผ้าลังคาเ็รับรูุอ ย, อย่างนี้เราจึงเหมือนกับเราเอาต้นสีมหาโพจากพุทธคยาไปปลูกไว้ที่ประเทศไทยต่อไปนี้เราต้องเอาต้นโพเนี่ย จากประเทศไทยกลับไปที่ลังกาเขาก็ส่งทูตมาได้พระธรรมทูตจากสุขโขทัยนั่งเรือไปไปครั้งแรกก็เรือแตกเรืออับปากไปครั้งที่สองก็สำเร็จไปขึ้นฟังนะเดินบกไปอีกลำบากลำบนกว่าจะไปถึงเมืองหลวง ได้บวชสมเณีสระนังก่อนเป็นพระอุปชาสาเร็จมีพระอันดับมีสมณีมีอะไรต่างเนียเอาสมณไทยไปก่อนไปลองบวชสมณีไทยให้ดูก่อนแล้วก็บวชสมรณังก่อนพระอุปชารูปนั้นชื่อว่าพระอุบาลีพระอุบาลี พระอุบาลีเนี่ยเป็นอุปชาอยู่สามปีบวชคนในเกาะนั้นเป็นพันฝื้นพระพุทธศาสนาในศรีลังกาให้กลับมาจนเป็นพระพุทธศาสนานิกายใหญ่ที่สุดเพราะตอนหลังก็เป็นิมนต์มาจากรามันพมา่ามาเป็น รามันนิกายจากเมือมมรัพุรานิกายมีสองนิกายเล็กแต่นิกายใหญ่ที่สุดซึ่งไปบวชก่อนไปจากสยามทุกวันนี้นิกายนี้ชื่อว่าสยามนิกายเป็นนิกายใหญ่ที่สุดถือกุญแจพระธาตุเขี้ยวแก้วและสยามนิกายแบ่งออกเป็นสองคณะคณะคามาวาสีเรีย ก, ออกว่ามลรวัตต คณะอรัญยวาสีเรียกว่าอัสักริยะใหญ่ถึงขนาดมีสองคณะใหญ่ที่สุดในสีลังการประธานประมุขสงไม่เรียกว่าพระสังฆราชเพราะสีลังกาไม่มีไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศไหนมีพระเจ้าแผ่นดินประเทศนั้นจะมีพระสังฆราชสังฆราชา ประเทศลังกาไม่มีพระเจ้าปิณิเขาเลยตั้งแค่สังคายกเราเรียกว่ามหานายกะในสยามนิกายทั้งสองนิกายนั้นมีมหานายนกมหาไนายกะสองรูปปกครองแยกกันถือว่าใหญ่สุดทั้งกู่เป็นมหาไนายกะฝ่ายมลวัรูปหนึง่งมหาไนายกะฝ่ายสอสกิยะรูปหนึง่ง ในพิธีประสาทปริญญาที่ผ่านมามหานนยกะศฝ่ายอัสเครียกเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วได้มารับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษรีบันิตกิติมศักดิ์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยโดยขึ้นไปนั่งคู่กันบนเวทีคู่กันอย่างนี้ไม่ได้เดินขึ้นไปรับน ะ, ขะเขาปฏิบัติ ในฐานะพระสังฆราชเหมือนกันมีอยู่รูปเดียวในพิธีวันนั้นขึ้นไปนั่งคู่กันแล้วก็ยืนมอบเสมอกันพระสังฆราชของไทยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวง สาคาญาณพระอุบาลีคือหัวหน้าคณะที่ไปในครั้งนั้นไปจากอินเดีในครั้งนั้นมรณภาพสามปีก็บรณภาพที่ลังการูรปที่สองที่ไปพร้อมกับคณะไปพร้อมชุดเดียวกันนี่แหละไม่ได้มรณภาพแต่กลับประเทศไทยชื่อพระอรยุงสมุนี พระอริยวงศ์สามุณีนั้นต่อมาได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยอยุธยาและเป็นที่มาของราชทินานามว่าอาริยวงศ์สาขายานพระนามสมเด็จพระสังฆราชมาจนถึงปัจจุบันนี้องค์ที่หนึ่งนอกจากไป ทำหน้าที่สำเร็จคือพระ บ, บาลีเนี่ยในการบวชสมมเณรสรนังกอแล้วบวชสามเณรอื่นแล้วฟื้นวงแห่งอุปสัรปทาได้แล้วสิทธิของพระกุ บ, บาลีคือสนังกอ น, นั้นได้เป็นพระสังฆราชสีลังกา เสริอต่อนิกายใหญ่ต่อมาจนกระทั่งเมื่อเสียเอกราช์แห่งกริชจึงเหลือแค่มหานายกะหมายถึงว่าหลังๆสงณะหนักก่อนไม่มีพระสังฆราชเป็นมหานายกามาจนปัจจุบันทำให้เกิดนิกายใหญ่ชื่อสยามนิกายแต่ชื่อทางการคือสยามโมปาลีมหานิกาย ท่านเราดูถึงอ m p a c t คือผลกระทบว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราประเมินพระธรรมทูตไม่ใช่แค่ไปเทศได้กันเทศทนะ่านเราดูจากผลที่ตามมาเพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าพระกุบาลีเนี่ยเป็นพระธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมไม่ได้ประบมนจบแค่ว่าพระอุบาลีไปบวชสมเด็สรนานงกรสํสำเร็จนั่นคือประเมินผลงานแค่นั้น มีพระธรรมทูตองค์อื่นรูปไหนบ้างที่ชื่อถูกฝากไว้ในนิกายใหญ่ของประเทศที่ตัวเองไปนะไปเผยแผ่ศาสนามีรูปเดียวและเอาชื่อประเทศเระไปด้วยสยามบวกอุบาลีและนิกายใหญ่เรืยมหานิกายสยามโมปาลีมหานิกายท่านไปศิลกาท่านไปศึกษาได้เลย นี่คือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่แห่งความสำเร็จของพระธรรมทูต Impact ไม่ได้ดูแค่ม i s ชั่นเ c ็กคอมพลิชคำว่า Mission คือหน้าที่เฉพาะหน้าที่เขาส่งไปส่งไปบวช เป็นอุปชาและบวชสำเร็จแล้วกลับเขาเรียกมิชชั่นแอคคอมพลิชทำหน้าที่สำเร็จแต่เราดูต่อมาอีกเป็นร้อยปีเป็นพันปีผลจากที่ทำนั้นมันเกิดอะไรตามมานั่นคืออิมแพคเราดูงานพระธรรมทูตจากผลที่ตามมา บางทีถ้าเราพูดให้ตรงเราพูดถึงพระโสนะพระอุตระมาที่สวรณภูมิซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนนะเราก็าอยู่ที่นคนปรปฐมประมาณ ก, ก็อยู่ที่มกตมะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลกระทบของพระโสนะพระอุตระที่มีต่อสุณภูมิสู้พระมหินทะผลกระทบที่มหินพระมหินทะเถระมีต่อศีลังกาไม่ได้ พูดแค่นี้ท่านเป็นนักประวัิาตร์ท่านจะรู้เลยจากพระเมหินทนเถระเนี่ยพุทธศาสนาในศีลกาไม่เคยขาดสายเลยมาจนปัจจุบันนี้แต่พระโสนอุตระสมณวงศ์มันหายไปตอนไหนเราไม่รู้เราต้องมาฟื้นใหม่ที่สุขโขทยัยเราจึงต้องมาศึกษาประวัติศาสตร์กันอ m p แ c คมันไม่เท่ากันไม่ใช่ความผิดของพระโสนพุตระแต่มันอยู่ที่คนรุ่นหลัง ไม่รักษาประาศาสนาทำให้ท่านเหนื่อยเห็นไหมทีนี้ท่านเห็นประเด็นที่ผมตั้งไปแล้วนะว่างานของท่านเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงมิชชั่นของท่านมิชชันนารีมันไง มิชชันมิชชันนรี่นะมิชชันคือภีพัน ธ, ธกิจภาษาอังกฤษเขามิชชันนอรี่มางคือภาษาประตูที่เขาบัญญัติให้ท่านเนี่ยท่านมีมิชชั่นมิชชั่นของบังทองคือไปพูดให้ขงให้โจโฉภูกเรือติดกันและเขาทำสำเร็จแต่อิมแพคมันอยู่ที่กองทัพเรือถูกเผามันมีคอนเซ็ปต์มันมีผลตามมา มิชชั่นของท่านคือไปเป็นพระธรรมทูตที่วัดใดวัดหนึ่งหน้าที่ของท่านไปนสอนกรรมฐานสมมตินะแล้วการไปสอนกรรมฐานของท่านเนี่ยแค่รักษางานหรือว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมันขยายผลออกไปมากมายถ้าลูกศิษย์ของท่านเนี่ย เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเอากรรมานเนี่ยไปสอนในมหาวิทยาลัยสติไอไมโฟเ s สมันก็ไปทั่วโลกเหมือนที่เราสัมมนากันเมื่อวิสาขาโลกเรื่องสติไม l ฟ e s สเป็นผลจากพระธรรมทูตรุ่นครูบาอาจารย์ของเราก็ไปเหมือนพระหนุ่มเดนน้อยอย่างพระหนุ่มทั้งหลายนี่ ไปสอนกรรมฐานแต่สอนกรรมฐานแล้วแค่ทำให้คนเนี่ยนะนั่งสมาธินั่งกรรมฐานได้มันก็มิชชั่นแอคคอมพลิชทำหน้าที่สำเร็จนะมีคนใส่บาทนแะล้วสร้างวัดแล้วแต่บังเอิญว่าฝรั่งที่มาเรียนเหล่านี้เนี่ยเขาไปตั้งสำนักกรรมฐานต่อ เขาเอาไปเขียนหนังสือท่านว่าสติ mindfulness เนี่ยมันเอาไปแก้ความเครียดได้แล้วก็นักจิตบาบัดนักจิตตเวชนักจิตวิทยาเนี่ยก็เอาเรื่อง mindfulness เนี่ยไปทำเป็นทฤษฎีรักษาโรคเครียด แล้วก็เอาไปสอนกันในภาควิชาจิตวิทยาสอนไปสอนมาพัฒนาเป็นปริญญาโทสาขาบุดิสไซโคเทอร์พีจิตบำบัดเชิงพุทธที่มหาวิทยาลัยนโรปะในอเมริกาในยุโรปก็เกิดกระบวนการฝึกกรรมฐานเพื่อไปให้นัก จิตบำบัดหรือจิตแพทย์เนี่ยไปรักษาโรคความเครียดตั้งเป็นสมาคมที่เอากับเอาไมฟูเนียเรียบไปสอดแทรกในจิตบำบัดในฮังการีมีสมาคมใหญ่เรื่องนี้ประธานสมาคมมาแสดงปาตากฐานำํำ keynote speech ในการประชุมที่หอประชุมมอวกอรี ยังไม่นับถึงอ m p a c คอื่นอื่นอีกนี่ยกตัวอย่างว่าจากที่พระธรรมทูตไปสอนกรรมฐาน n ินไซต์ e d i t a t i o n วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเน้นไม้ฟ f u l n e s s มันตีสะท้อนกลับในสุดเราต้องมานั่งฟังฝรังพูดแสดงประตรถาแนอนะเรื่องนี้แหละท่าน keynote speaker แล้วห้องที่พูดถึง mindfulness สติเพื่อแก้ความเครียดจิตเวทเนี่ยนะคนฟังเต็มหมดในวันที่สองทำไมเต็มอะ่ะเพราะผมไปมีคนอยู่สิบคนผมรู้ว่าเนี่ยห้องนี้สำคัญแต่ไม่มีใครไป พอผมไปนั่นวิยากอนเต็มหมด น, นับไปแล้วมาคนฟังอย่าสู้วิยากอนไม่ได้ผมก็นั่งไปนั่งมาไอ้ภาพวงจรปิดเนี่ยมันคงเผยแพร่พวอธิการมาแล้วพวกหน้ามาก็มากันที่ท่านแล้วคนอื่นๆมันก็รู้ว่าห้องนี้อยู่เขาคงไม่รู้มันห้องนี้มันอยู่ที่ไหนเพราะคนแห่กันมา เต็มเลยครับผมนั่งอยู่จนถึงเวลาฉันเห็นนะท่าเจ้าเขานำเสนออะไรผมยกตัวอย่างอันหนึ่งเขาพูดถึงงานงานวิจัย สมองซึ่งทางบันทึกวิรายจัดก่อนแล้วบุญนิ้ซึเป็นประเด็นแล้วผมมาปาตกระถาตรงนี้แล้วก็จะมีฝรั่งคนหนึ่งมานําเสนอแต่ว่าเขาเขาบอกเ้าเตรียมมาสี่้านาทีแล้วเขาได้พูดสิบนาทีแต่จริงเขาไม่เสนอตรงนู้นเป็นคนละงานกันเขาเรามากินหัวน้ําก่อนตรงนี้ก่อนงานเขาเอางานวิจัยซึ่งไม่ใช่งานวิจัยเขาแต่เขาเอาไปใช้เขาเป็นจิตแพทย์เอางานวิจัยมาใช้ เขาบอกว่าเวลาที่คนเราคิดเนี่ยแค่แค่กระดิกนิ้วเนี่ยหยิบเนี่ยเขาแทบสมองไหมดูความเคลื่อนไหวของสมองที่สั่งให้เราให้ผมเคาะออกแค่เนี้ย แค่ผมเคาะแค่นี้นะความคิดมันเกิดในสมองก่อนแล้วมันถึงสั่งมาที่แขนเราก็รู้พอคิดผมก็เคาะทีนี้เขาก็มีวิธีวิจัยนะารายละเอียดผมจะไม่เล่านะเพราะว่าผมจะยกตัวอย่างที่เขาพูดดู น, นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาแถบในสมองเนี่ย เขาจะรู้เลยว่าสมองส่วนไหนสั่งให้เคาะแล้วก็มันก็มาจากมาที่ไขสัลังแล้วก็มาที่นิ้วแล้วก็เคาะความเร็วของความคิดในสมองนจนมาถึงมือที่เคาะเนี่ยเขาวัดได้ด้วยนาฬิกาพิเศษเหมือ น, นาโนนาิกานานโนเลยนะแทนที่เขาจะแบ่งหกสิบไหนึ่งนาทีเป็นหกสิบวินาที แล้วหกสิบไอหนึ่งวินาทีมันแบ่งเป็นเท่าไหร่เป็นหกสิบไมไม่ใช่ท่านถ้าเอาวัดความคิดเนี่ยเขาแบ่งหนึ่งวินาทีเป็นมิลิวินาทีเป็นสับัญญัติของราชบัณฑิตแล้วนะมิลิวินาทีท่านแบ่งหนึ่งวินาทีเป็นหนึ่งพันส่วนน่ะเอานาฬิกาที่ไหนไปทํามาท่าน ท่านเคยเห็นไม่มีไม่จะซื้อตั้งหน่อยเทียบอะไรท่านมิลลิเมตรมิลลิเมตรหมายถึงแบ่งหนึ่งเมตรเป็นหนึ่งพันส่วนมิลลิแปลว่าหนึ่งพันเมตรเนี่ยมันมีหนึ่งหนึ่งพันส่วนเขาเรียกว่า แบ่งเมตรเป็นหนึ่งพันส่วนหนึ่งส่วนในหนึ่งพันเนี่ยเขาเรียกมิลลิเมตรวินาทีเนี่ยแบ่งออกเป็นหนึ่งพันส่วนเรียกว่าหนึ่งส่วนนะั้นเรียกว่ามิลิวินาทีมิลิเซกันส์แล้วเขาก็วัดเลยครับมันจะมีนาฬิกาวัดจากที่ท่านเริ่มคิดเนี่ยนะจนมาถึงกระดิกนิ้วเนี่ย ใช้เวลากี่มิลิวินาทีเขาบอกว่าตั้งแต่สมองมันสั่งเนี่ยนะจนมาถึงเออเออตั้งแต่สั่งมาเนี่ยจนกระทั่งเราเรารู้สึกว่าเราจะต้องเคาะนิ้วเนี่ยนะมันใช้เวลาประมาณสามร้อยมิลิวินาที และพอเรารู้ตัวนะว่าเราจะเคาะเนี่ยไปจนถึงเคาะนิ้วเนี่ยใช้เวลาอีกสองรอมิลิวินาทีสรุปแล้วตั้งแต่สมองสั่งมาจะเคาะนิ้วเนี่ยห้าร้อยมิลิวินาทีถ้าพูดอย่างนี้ท่านเข้าใจยากผมพูดว่าครึ่งวินาทีท่านเพราะหนึ่งหนึ่งพันเนี่ยมาเท่ากับหนึ่งวินาทีหนึ่งพันส่วนเนี่ยนะ ถ้าห้าร้อยเท่ากับครึ่งวินาทีตั้งแต่ท่านสมองมันสั่งเนี่ยนะจนกระทั่งมีความเอ่อจนท่านรู้ตัวเนี่ยสามร้อยเข้าไปแล้วแล้วจากสามร้อยจนกระทั่งคา้อนิ้วเนี่ยสองร้อยหมายความว่าไงครับผมผมอธิบายนี่เขาพูดภาษาฝรั่งเขาไปพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดเป็นภาษาวิชาการซึ่งผมจะถอดให้ฟัง ถอนให้ฟังหมายอย่างนี้ว่าเวลาที่เราจะเคาะนิ้วเนี่ยท่านรู้ตัวก่อนที่ท่านจะเคาะรู้ตัวว่าท่านหรือสมองสั่งเนี่ยนะโดยที่ท่านเขาเรียกคอนเจียสเนี่ยสำนึกตัวว่าเราสั่งเคาะเนี่ยมันใช้เวลาแค่สองรอมิลลิซคจากความคิดว่าจะเคาะมาถึงจนจนเคาะเนี่ยสองรอมิลลิ อีก300รอยนี่มันอยู่ในสมองมันสั่งก่อนโดยที่ท่านยังไม่สำนึกตัวมันเป็น unconscious ในภาษาอภิธรรมมันคื อ, อยางเป็นแค่พวังคจตานะมันมาจากพวังเลยยังไม่เป็นพวังผู้ปัดเจทาจนกระทั่ง พอเป็นพระวังผูบ้บัญเชษะเป็นปัญจทวาราวัชนาวิถีเนี่ยขึ้นวิถีจิตน่ยท่านจึงรู้ตัวมันคือเรื่องอภิธรรมนั่นแหละเออท่านจะฟังผมรู้เรื่องไหมผมว่าผมพูดผมรู้เรื่องนะกลายเป็นอภิธรรมยากกว่าภาษ า, ก, ษ า, ก, ษากรีกอ่ะกลับมาใหมอ่อันนี้สมัยก่อนเลยสำหรับพวกประโยชน์เก้าะพวกประโยชน์เ้ามันจะฟังรู้เลยโอ้ไอ้นิมพะวัง พระวังพรนะจรนาพะวังูป้ปต์เฉ ท, ทะไอ้มันมุมมานะ่ะแปรไอวิสุทธิมรรคกันนะโอ้ยไปอีกเรื่องนละยเอ า, อางี้ประเด็นของเรื่องอยู่ตรงนี้ท่านประเด็นของเรื่องอยู่บว่าเวลาที่เราทำกรรมอะเจตนาหังพิฆเวกรรมมังวัฏานิเนี่ยพิกสุดทั้งหลายเราบอกเจตนาว่าเป็นกรรม เจตนามันจะต้องมีความสำนึกตัวมันคือ conscious จากเจตนานมาถึงเคาะเนี่ยนะแค่สองร้อยมิลลิวินาทีและสมมุติว่าถ้าคิดด่าคนเนี่ยท่านด่าในใจเนี่ยนะไอ้ที่ความโกรธที่มันสามร้อยเนี่ยท่านไม่รู้หรอกคนมาด่าท่านท่านโกรธไปแล้ว แล้วมันก็มากระตุ้นให้ท่านมีความสานึกตัวว่าจะด่าเนี่ยแล้วท่านไม่ด่ามันเป็นมนกูกับเพราะท่านตบเขามันก็เป็นกายกรรมด่าเขาเป็นวจีกรรมไอ้สิ่งที่มันคกรุนอยู่ข้างในเนี่ยกิเลสมันสั่งท่านเนี่ยท่านไม่รู้ตัวสามร้อยมิลิเเพราะฉะนั้นฝรัง่งเขาจะบอกมันไม่มีฟรีวิวเราไม่มีสิท์เลือดที่จะไม่โกรธถ้าเรายังเป็นบุ้ตชนอยู่ เพราะว่า300มิลลิเซ็นต์เนี่ความโกรธมันครุโกโคลนอยู่แล้วกิเลสโทสะมันเกิดแล้วมันเป็นปริยุทฐานะกิเลสแล้วจากไอตัวเขาเรียกว่าปริยุท ธ, ธานะเนี่ยมันขยายมาจากอาสวะกิเลสอาสวะมันอยู่ในภวงังแล้วพอมันกระตุน้นมันฟุง้งฟุ้งมาจากกนกระทั่ง วีติกกับมักิเลนเนี่ยมันแค่สองร้อยมิลลิเซนต์เท่านั้นเองเอ๊ะจะยากไปอีกเอาไหมท่านใ ห, ให้รู้ด้วยว่าเวลาท่านจะเทศท่านต้องรู้ว่าท่านเทศใครฟังนี่วิธีสาธิตั้งผมเน่ยผมจะพูดให้ง่ายกว่านี้ก็ได้เอาไหมมีโยมสองคนฟังอยู่ผมจะพูดให้โยมฟังนคนนอกเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับภาษาพระเลยสรุปอย่างนี้ครับ คำว่าผวังขจิตคำว่าอันพรเชียดมันคือการทำงานในสมองและพอกระตุ้นให้มันโกรธเนี่ยมันโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะใช้เวลาไปแล้วสามร้อยมิลิเซ็มิลิวินาทีพอเรารู้ว่าเราโกรธ น, นี่มันผ่านไปแล้วสา0ร้อยนะแล้วเราด่าเขาเนี่ย มันห้าร้อยก็คือครึ่งวินาทีแล้วฉะนั้นในช่วงที่เราจะไม่ให้โกรธเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราว่ามันกระตุ้นมาแต่ตอนที่จะด่าเนี่ยเราห้ามได้เพราะเรารู้ตัวแหละท่านมีเวลาห้ามอยู่เท่าไหร่ครับสองร้อยมิลลิเซคที่จะไม่ด่านิดเดียวมากแล้วท้านท่านไม่ได้ฝึกสติท่านห้ามทันไหมไม่ทัน สติมันจึงตามไม่ทันไงคนเราเนี่ยที่บรรดาโทศักข่ากันเนี่ยท่าน f มฟู e s s คือสติมันคือรีเฟรชสะท้อนถึงจิตโกรธก็ให้รู้ว่าจิตโกรธเนี่ยมันใช้เวลาเร็วเท่าขนาดไหนครึ่งวินาทียังเกือบไม่ทันนะและถ้าท่านไม่ฝึกไมฟูเ s s ไม่ฝึกกรรมฐานคุมไม่อยู่ เพราะฉะนั้นการฝึกกรรมฐานมันก็คือคุมฝึกศีลก่อนใช่ไหมศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไงถึงถ้าจะโกรธห้ามฆ่าห้ามตีห้ามด่าห้ามอะไรตา่างโกรธเกือบตายศีลมันจะคุมในระดับหนึ่งต่อไปท่านฝึกสติมันจะคุมไปถึงไอ้วินาทีนั่นแหละเกิดปุ๊บดับปั๊บ เขาก็เอาเรื่องที่ค้นพบเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าฝึกสตินี่มาช่วยเบรกพฤติกรรมทางกายทางวาจาพอจะฆ่ากันสติมานี่ก็ยังช้าจะด่ากันก็ยังช้าเป็นเมลนนินาทีดีที่สุดคือหยุดตรงนี้พอเริ่มมีคอนเชียส ร, รู้ว่าฉันโกรธฉันจะด่าอะไรเนี่ย ส, ส, สติตามทันเนี่ยหยุดเลยเขาฝึกเกินขนาดนี้ความเครียดสะสมเนี่ยโดยที่ไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าจะผ่านเป็นพระธรรมทูตไม่นอนไปหลับมาหลายคืนเนี่ยถ้าท่านฝึกสติท่านจะรู้เลยว่าความเครียดเรื่องนี้เนี่ยก่อนนอนมันโผล่มาสามร้อยมิลิวินาทีท่านแล้วท่านดับความเครียดได้ท่านหลับได้สบายจัดการกับความเครียดได้คืนนี้หลับได้แล้วท่าน ที่ผมเล่ามานี่นะครับคือเรื่องเดียวเท่านั้น Impact จากพระธรรมทูตที่ไปสอนกรรมฐ า, านในยุโรปทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาในนะเทรวาตมหา ย, ยานมันเรื่องไมโครเนสาน่นนะเอ่ยชื่อมาก็อย่างเช่นสายของมหาศรีสยาดอโกอินกาสายมหา ย, ยานก็คือติชนธนินมันก็เรื่องไมโครเนสานั้น ท่านเหล่านี้มีลูกศิษย์เยอะในยุโรปในอเมริกาทำให้เข้าไปสู่มหาวิทยาลัยทำให้เข้าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและจิตบาบัดมันจะเกิดไมโค s เนสัยโคเทเรพีเจนบัตแบบไม่เอ่ยชื่อพุทธศาสนาได้นะท่านนะในอเมริกาเดี๋ยวนี้ในบางรัฐเนี่ยทั้งอำเภอทั้งเขตทั้งอำเภอทั้งดิสตริกเนี่ย ผมอ่านข่าวผมจำไม่ได้ว่าบนรัฐไหนทั้งโรงเรียนสอนเรื่องไมล์ฟูลเนสให้กับเด็กจนสื่อไปลงข่าวเนะี่ยซีเอะไรลงข่าวไปทั่วโลกและฝ่ายค้านก็มีฝ่ายสนับสนุนก็มีแต่สนับสนุนเยอะกว่าและเขาไม่ได้พูดถึงไมล์ฟูลเนสเฉพาะในพุทธศาสนาเขาบอกว่าฝึกโยคะก็เป็นไมล์ฟูลเนสเป็นเรื่องสติในโรงเรียนเนี่ยเด็กสามารถเรียนเก่งขึ้นฝรั่งก็ปไปทําเลยนะครับ อเมริกันเนี่ยเด็กเรียนเก่งขึ้นเขาเพื่อไในดีขึ้นมีอาชีพเม n t มีผลสบริษ์ซึ่งผมเสียดายว่าสักวันหนึ่งเนี่ยวิชาในในโรงเรียนที่ผมกับหลายๆท่านไปทำเอาไว้ก็คือบริหารจิตและเจริญปัญญาเนี่ยซึ่งครูมัจกจะถานไปให้เด็กภาวนาทำไมเจริญสติทำไมเนี่ย วันหนึ่งเราจะต้องตามอย่างพรัอเมริกันที่ยทำสำเร็จอ่ะทั้งสเตรเรียนเรื่องสติหมดประเทศไทยทั้งประเทศเรียนเรื่องบริรหารจิตเจริญปัญญาโดนค้านนั่นและหาคนสอนไม่ได้เพราะครูสอนไม่เป็นครูพระสอนศีลธรรมเนี่ยต้องไปสอนเรื่องบริหารจิตเจริญปัญญาคือเจริญสตินี่แหละและเราไม่รู้จะสอนอยังไงดีไม่ดีต้องไปเรียนจากอเมริกาท่าน สอนเอกยังไงผมฝากด้วยนะใครจะไปเรไปตามเรื่องให้หน่อยคือกลายเป็นอย่างนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราส่งออกเนะี่ยเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไปวันหนึ่งเราจะต้องอิมพอร์ตกลับมาเหมือนศีลังกาส่งเอ็กซ์พอร์ตพุทธศาสนามาที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องอิมพอร์ตกลับไปเพราะัา ง, งานของพระธรรมทูตเนี่ยมันไม่ได้วัดกันในระยะชั่ว ยุคอายุคนอย่างเดียวนะครับมันอ e ีอิมเพมากก่เหมือนท่านจะวัดงานผมเนี่ยในฐานะอธิการบดีเนี่ยในสมัยที่ผมเป็นอธิการบดีมา <sl ues> มันก็ส่วนหนึ่งหลังผมล้มหายตายจากไปเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งนะท่านน่ะสิ่งที่เราสร้างวันนี้เนี่ยอีที่ท่านท่านเห็นเนี่ย ผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลเฉพาะแค่นี้สร้างตึกสำเร็จในที่ว่างเปล่าตรงนี้มันก็มิชชั่นอ็อฟคอมพลีชในฐานะอธิการบดีสร้างห้องให้ท่านเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นพันธ ก, กิจที่ทำสำเร็จแต่หลังจากที่ผมสร้างให้คนมาเรียนกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย หลายปีเนี่ยคนเหล่านี้ไปทำอะไรต่างๆปลมรมพระธรรมทูตกี่รุ่นกี่รุ่นส่งไปอเมริกามันไม่ได้จบแค่นี้นล้ที่ฝ่ายต่างประเทศทำผมไม่ได้มองว่าจบแค่นี้แต่ท่านเหล่านี้ไปอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาอยู่อินเดียอยู่เอเชียเนี่ยไปสร้างอะไรด้วยแล้วมันเป็นเอ็กซ์พอร์ตที่เราส่งไปแล้วมันไป ม, มีผลกระทบ อย่างไรต่างหากแล้วคนเวลาทำงานถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันจะเหนื่อยทนะ่านแต่ถ้ามองไกลมันไม่เหนื่อยหรอกเพราะมันมีผลกระทบมหาศาลอย่างท่านเห็นผมทำงานเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยนั่นที่ท่านมาอยู่กับผมเนี่ยผมจัดยาขนางยิ่งอ่ะผมไม่ได้คิดว่าแค่คนมารวมกันแล้วมันจบนะท่านนะคนมารวมกันแล้วพกลับไปทำอะไรต่างหาก ซึ่งผมรู้ไอพิมพหนังสือ CBT เล่มหนึ่งนี่ยพระใจไปดกษาคนเล่มหนึ่งนะพิมพหนังสือจบได้เนี่ยจ็ดปีสำเร็จมันก็เป็น accomplish บรรลุพันธ ก, กิจแต่ผลกระทบของหนังสือเล่ม น, นี้ที่จะตามมาเนี่ยเรายังไม่รู้นะแล้วผมก็ไม่ได้จบแค่พิมเสร็จผมก็โฆษณาผมไปเรื่อย CBT เนี่ยออกท่านไม่เห็นเลยออกสื่อออกทีวีอะไรต่างเพราะผมไม่ได้คิดว่ามันจบแค่พิมหนังสือมาหนึ่งเล่ม คนจะต้องอ่านอะแล้วอยากได้ไหมเอ้ยบอกรองต่างประเทศก่อนก่อนไปอเมริกาท่านงควรจะต้องมีกันคนละหนึ่งลิมสมกับเป็นทูตท่าน หนังสือพอครับท่านเพียงแต่ว่าทยอยพิมพ์ตอนนี้น่าจะพอละหมายที่ว่าพอแจกท่านเท่าฝ่ายต่างประเทศไปทําเรื่องเบิกไปผมมีหน้าที่อนุมัติพ ว, พวกท่านมีหน้าที่ไปหาหนังสือให้เจอมันอยู่ห้องไหน <c oughs> มันเป็นผมยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่เลยแต่ว่าพิมพ์เป็นหมื่นเล่มเหมือท่านอะสรุปประเด็นที่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะท่านคงเห็นประเด็นละ ว่าเราต้องมองใจไปอีกมากกว่าบทบาทของเราเนี่ยมันจะต้องไปดูระยะสั้นระยะยาวอนาคตอ่ะทีนี้ไปถึงว่าแล้วจะทำอย่างไรทีนี้เมื่อกี้นี่ผมพูดพูดในเชิงเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของการเป็นธรรมทูตเป็นวิช่ชนเป็นวิสัยทัศน์ว่าท่านต้องไปอย่างงี้ แต่ในทางพระิบัตจะทำอย่างไรผมให้แผนที่ทันแล้วแผนที่เดินทางแต่ทีนี้การเดินทางทำอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยก็คือเมื่อกี้ให้หลายแทงแต่นี้ท่านต่จะ ต, ต้องมาถอดลายแทงผมจะไปประเด็นที่สองนะครับในประเด็นที่สองเนี่ยผมจะถือสองคำของพระพุทธเจ้า ในการทํางานของผมอลังการตรุงทําเองก็ได้อลังสังวิชาตุงจัดการให้คนอื่นทําก็ได้ผมผมเป็นลูกศิษย์ภูริจ้าผมจะสรุปงานของผมอยู่สองเรื่องนั้นคำว่าทําเองนี่หมายความว่าสมมติว่าท่านเป็นนักเทศน์นักเผยแผ่ เป็นพระธรรมบทูต์ท่าต้องเทศเป็นเทศได้เทศเป็นบรรยายได้บรรยายเป็นเขาเรียกว่าทเองแล้วท่านสามารถสอนให้คนอื่นไปเทศไปสอนได้ด้วยหรือตั้งองค์กรให้คนอื่นไปเผยแผ่ได้ด้วยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าปัดเจกพระพุทธเจ้าจะได้แค่อลังกาตุง บรรลุเองแต่สัมมาสัรพรุทธเจ้าจะได้ทั้งอลาารักะตุงบรรลุเองและสอนให้คนอื่นบนรรลุตามเพราะฉย่างพระพุทธเจ้าก็จะมีพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสองอย่างผมอยู่ในวงการนักเทศนะครับผมจะรู้เลยว่าพระนักเทศที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนมากทําได้เฉพาะตัวส่วนมากเลยครับ สอนให้คนอื่นเป็นนักเทศเหมือนตัวเองไม่ได้ท่านสเกตส่วนมากเนี่ยเป็นนักเทศดังๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะ ไ, ได้เฉพาะตัวแต่สอนให้คนอื่นข้อสองเนี่ยไม่ได้อยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอาจารย์พยอมเนี่ยสร้างนักเทศขึ้นมาได้จนป่ากเหนีย ตัวเองมีชื่อเสียงแต่ปั้นคนขึ้นมาไม่ได้เพราะทำได้อย่างเดียวบางคนจัดการให้คนอื่นทำได้แต่ตัวเองทำไม่ได้อันนี้ได้ในวงการศึกษาลูกศิษย์จบประโยคเก้าเยอะแยะหมดเลยตัวเองนักทำเอง วัดจองคำไม่ได้สักประโยคฉะนั้นถ้าดีที่สุดเนี่ยทาเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าท่านไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่างท่านก็เอาสักอย่างทำเองก็ได้หรือทำเองไม่ได้ก็ บริหารจัดการให้คนอื่นเขาทำท่านเป็นวิปัสนาจารย์เองก็ได้และเป็นวิปัสนาจารย์เองด้วยสอนให้คนอื่นนั่งกรรมฐานด้วยเป็นวิปัสนาจารย์สำเร็จด้วยอันนี้สุดยอดบางท่านได้แต่นั่งกรรมฐานแต่สอนคนอื่นไม่ได้บางท่านตัวเองอาจจะไม่เท่าไรแต่ตั้งสำนักกรรมฐานเป็นเจ้าวาดขึ้นมา ไปเป็นเมืรรม่อทำกระทูดอย่นนะนีมนุษย์อื่นมาสอนกรรมฐานนะผมอยู่ที่นี่นี่ผมเซ็นให้วิปัสสนาอาจารย์มหาจุฬ า, าเนี่ยไปต่างประเทศไปสอนกรรมฐานปีละครั้งสองครั้งบางรูปอนยะู่นเป็นสิบสิบปีเขาก็ได้หมดแต่ผมเนี่ยแต่ถามว่าเจ้าว่าเป็นวิปัสสนาจารย์มนะไม่เป็นเหมือนให้คนอื่นจบเยกูก้าตัวเองแค่ได้ได้ไม่ได้มาเรียนสักมาเรียนเดียว ฉะนั้นเวลาที่ท่านทํางานเนี่ยท่านจะต้องวิเคราะห์ตัวเองนะเดินตัวท่านเองถนัดไหนทําเองได้ไหมเรื่องเนี้ยถ้าท่านจะทํางานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยทําเองได้ไหมทําไม่ได้จัดการให้คนอื่นมาช่วยทําแทนได้ไหมอย่าไปติดตันตงที่ว่าพอเราเองไม่ได้นะก็ไม่ได้คิดจะให้คนอื่นมาทําถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานไม่เจริญนะ ท่าจะต้องแนะนําสมมติว่าเราเป็นเป็นลูกวัดเนี่ยนะเรื่องนี้ผมไม่ถนัดนะแต่คนถนัดอยู่ที่ไหนในประเทศไทยในอินเดียอะไรไปหามายังไม่จบก็กําลังเรียนก็เอามาทําสัญญาแล้วผลที่ตามมาเราจะภูมิใจตรงที่ว่าเราเอาเข้าไปเนี่ยแล้วพอเขาไปทํางานยิ่งใหญ่ภูมใจเถะครับมันมีอิมแพ็ มีผลกระทบใจกว้างผมอยากให้ท่านใจกว้างไม่รวมไว้คนเดียวซึ่งเราก็ไม่ํำนาญอลังการตุ่งเนี่ยแบ่งให้คนอื่นทำบ้างถ้าท่านไปในไปไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ในต่างประเทศถ้าท่านจะรู้ครับบางทีท่านทาเองได้หมดแต่ไม่ไหวครับเวลาไม่พอท่านก็จะต้อง ภาษานากบริหารเขาเรียก delegation of authority กระจายความรับผิดชอบถ้าผมกลมอะไรไว้ทำอยู่คนเดียวเนี่ยผมบริหารมหาวิทยาลัยไม่ได้ถ้าอยู่กับผมแท้ก็เห็นแล้วผมจัดงารเยอะแยะแต่ว่าผมจะกระจายแค่คนอื่นช่วยกันทำแต่ผมคุมแต่ถามว่าไอ้ที่คนอื่นทำทำเนี่ผมทำได้ไหมส่วนใหญ่ผมทำได้อลังการตุก อันไหนที่ไม่มีใครทำผมทำเองหรือผมทำได้ดีกว่าเช่นเลคเชอร์เป็นภาษาอังกฤษผมทาเองอันไหนที่คนอื่นทำได้ดำเนินการประชุมหรือจัดประชุมกลุ่มผมไม่ไปยุ่งเอาที่สำคัญละหวานแผนแล้วท่านอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเริ่มการใหญ่บางทีท่านมาอยู่ที่นี่ท่านอย่านึกว่าอีชาตไหนมันจะทำได้ไม่หรอก งานใหญ่ทั้งหลายมันเริ่มจากการเล็กๆเริ่มจากการสะสมบารมีท่านท่านจะต้องค่อยๆสะสมบารมีไปเรื่อยๆในสิ่งที่ท่านทำได้เนี่ยขยายไปเรื่อยๆอย่าหยุดเราจะแต่งหนังสือมันก็เริ่มมาจากเขียนไม่กี่หน้าก่อนแล้วมันก็ขยายไปเรื่อย พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอะไรที่ผมได้เริ่มได้ทำด้ผมจะขยายไปเรื่อยๆไม่ทิ้งครับผมจะมีลักษณะประการหนึ่งคือจะดูแลไอ้สิ่งที่เราเริ่มเราทำให้มันสืบต่อไปเรื่อยๆไม่ทิ้ง แนวคิดในเรื่องอย่างนี้เนี่ยทำให้หลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานเยอะแยะหมดภาระเยอะท่านเข้าใจผิดครับอะไรที่เราทำมาตั้งแต่ ก, กอไก่จนถึงหอนกคูงเนี่ยมันหลับตาทำได้แล้วอย่าไปทิ้งมาสิครับ ถ้าเราไปทิ้งเราไปเริ่มใหม่เนี่ยมันยากอะไรที่ท่านทำมาเรื่อยๆท่านสะสมพอมาถึงกอไก่ไปถึงปอปลามอมาไล่ไปเรื่อยๆสะสมไปทีละตัวละตัวมันมันเหมือนกับหลับตาทำได้นะเพราะฉะนั้นท่านจะทำกี่อย่างก็ได้ถ้าท่านทำไปเยอะ ๆ, ๆไปถึงใกล้ ใกล้ๆเจออ้าฟอต้อคู่แต่และเรื่องเลยนะคนอื่นดูเป็นพาะนะัน่ะแต่สำหรับเรามันเหมือนก็มันหลักตาทำอะ่ะมันง่ายอะ่ะไม่รู้กี่ย่างกับกี่ย่างแต่ไอ้กี่ย่างแต่และกี่ย่างสำหรับคนอื่นมันเริ่มกอไก่นะท่านมันยากของผมมันฮอนท้องคูอ่อ่ะ มันก็ง่ายเท่าหรผมอ่ะท่านจะให้ผมบรงคนน่ยผมยกตัวอย่างอางนะพอมาเป็นอธิการบดีนี่ภาษาอังกฤษเข้ามอวหมดทนะ่านไม่ต้องไปรอไทีธิการไปรอทอี่การบดีเนะี่ยยกเว้นไปรอต่างประเทศมันต้องใช้ใชพอมาเป็นพอจะต้องมาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเกือบตายนะท่านนะ ไม่มือเลยนะไอตอนเรียนปริญาเอกภาษาอังกฤษมันก็ดีระดับหนึ่งนะก็ไก่จอจานนู่นไปปอปลาพอกลับมาเมืองไทยไอภาษาอังกฤษลงมาเหลืององูไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ต่อนะท่านพอบังเอิญเขาให้มาเป็นตำแหน่งใหญ่โตต้องใช้ภาษาต่างประเทศ งองูเริ่มใหม่อีกเลโอ้มันยากเหมือนกับพวกท่านลงไปเนยไปอยู่ต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษสักพักหนึ่งพอกลับมาเมืองไทยเข้ามอออีกแหละต้องใช้ไม้พุยอะแต่ผมตั้งแต่จบดับเตอร์มาผมไม่เคยหยุดใช้ภาษาอังกฤษท่าไม่ว่าจะอ่านจะฟังจะอะไรต่า ง, างผมก็พูดผมตลอด แล้ยิ่งมารับตําแหน่งนานาชาติด้วยนะท่านเดือนเดียวเลคเชอปปร์เป็นภาษาอังกฤษไปรู้กี่ครั้งแล้วคนก็บอกว่าทําได้ไงถ้าไม่ทําสิท่านมันทาไม่ได้เพราะอย่างนั้นท่านต้องใช้ภาอังกฤษเนี่ยท่านต้องเรียนไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่อยู่ต่างประเทศหรือวันหนึ่งอยไปใช้มันเรื่อยไอ้ที่ท่านพอมีพื้นฐานท่านจบปริญญามาเนี่ยนะครับ ฝึกไปเรื่อยๆและสมองของคนเรานะครับอันไหนที่เราทำได้คล่องเนี่ยมันไม่ต้องจำมันไปอยู่ในสมองที่เป็น behavior คือพฤติกรรมคือสมองมันขี้เกียจจำท่านถ้าท่าต้องท่อ ง, องตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์มันจะโอเวอร์โหลด แต่สมองส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องไม่ต้องท่องจำเขาเขาศึกษาจากคนที่ความจำเสือมท่านไอความจําเสือมนี่มันเสืิอมเฉพาะเรื่องใหม่นะแต่ขับรถมันไม่ลืมลนะท่านนะแต่ไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะขับได้แต่พาดอยู่ไหนกูจบไม่ได้ใช่ไหมไปได้หมดเลย เพราะสมองที่เป็นเป็นทักษะนะสกิลนะเขาจึงเรียกอะไรฮะ knowledge ความรู้ทักษะสกิล attitude เจตคติ itude, เรียนแต่ละเรื่องเนี่ยท่านต้องให้เรียนให้ไปถึงสกิลคือทักษะใช้ได้คล่องชานาญวสีภาวะ อ, อาเสวิตาพาลีกตาเนะี่ย พอท่านชนานาญแล้วท่านไม่ต้องมาจำแล้วเวลานั่งกับประฐานได้เนี่ยมันไม่ต้องนั่งปึ้บมากั๊เข้าเลยไม่ต้องมาเริ่มกอไก่ใหม่มันมันยา้ายข้อมูลไปอยู่ที่สกิลท่านเพราะฉะนั้นคนไหนที่ปั่นจักรยานได้นะตั้งแต่เด็กไะเดี๋ยวนี้มันก็ยังขี่จักรยานไดส้สมองมันมีวิธีจําข้อมูลโดยเอาไปเก็บไว้ในส่วนที่มันคนละส่วนกับเมมโมรี่ มันเป็นเก็บไว้ในส่วนที่มันเป็นทักษะเป็นอัตโนมัติมันเก็บข้องข้อมูลของะอันะฉะนั้นภาษาอังกฤษสําหรับพวกเราที่เรียนเป็นเซลลรี่เป็นวิชาการเนี่ยมันจำศัพบมันท่องจนหัวโปง่งมันก็พูดไม่ได้ท่านสู้ไอ้พวกทํางานพัทยาไม่ได้ถ <c oughs> ้านรู้อย่างว่าภาษาอังกฤษสําหรับรถ้าทำกระทูดมันไม่กี่คําหรอกท่านถ้าท่านใช้ บ, บอ่อยๆอ่ะ ท่านไปอยู่อเมริกาท่านไปอยู่อังกฤษเนี่ยมันไม่เกินสองสามไม่เกินพันคําหรอกท่านพันสองพันเนี่ยใช้ประจํำเลยนะให้มันไปอยู่ไทยักษะนะเหมือนเราผู้ภาษาไทยเนี่ยคนแก่คนท่าพูดภาษาไทยเขียนหนังสือได้หรือเปล่าฝรั <c oughs> ่งแก่ๆเนี่ยพู้ภาษาอังกฤษคลองแคลวเขียนหนังสือไม่ได้ท่านมันเป็นทักษะแต่พวกเรามันมองว่าเหมือนกับเบรเียนบาลีเยู่นะ อ้ยสิโยอังโยนาฮิใช้เป็นภาษาบาลีนสอบแล้วลืมแล้วกว่าจะได้ประโยคเกือบตายเพราะเราไม่ได้มาพูดเพราะเราไม่ได้ใช้แต่ประเทศไทยเราปฏิรูปการเรียนบาลีเราให้มาพูดมาใช้เห็นมท่านเหมือนภาษาอังกฤษมันจะสนุกเลยครับมันจะไม่ต้องมาจาเพราะาสมองมันไปอยู่สกิล ผมได้ประโยคเก่าเเพราะผมทำให้มันเป็นสกิลท่านสกิลเลือกอะไรครับเขียนท่านภาษาบาลีเนี่ยถ้าเขียนมันไหลพลูเลยท่านแต่พูดตาเลืองหรือตาลาดแต่ถ้าแต่งเนี่ยนะเขียนผิดก็รู้ท่านบาลีเนี่ยต้องให้เขียนเพราะว่ามันมีทักษะและผมไม่ต้องจำศาสต์มันออกของมันมาเองเรียนมาหาจุร า, าก็ได้เรียนประโยชเก่าก็ได้มันไม่ได้จาอะไรมากมายครับ เพราะมันเป็นทักษะถ้าเป็นภาษาพูดก็เหมือนกันพอเราพูดบ่อยๆนี่มันมันคล่องเองมันเป็นเขาเรียกคล่องปากอนะฉะนั้นที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยนะผมเตือนท่านทั้งหลายว่าใครที่มาฝึกเทศก็เทศไปเรื่อยๆและอย่าน้นว่ามันเป็นเพิ่มเติมฝึกภาษาอังกฤษก็ใช้ไปเรื่อยๆ ไอ้คำว่าเรื่อยๆนี่แหละครับมันเป็นทักษะนั่งกรรมาฐานมันเป็นทักษะถ้าเขาถ้าลองถ้ท่านมานั่งใหม่เริ่มใหม่มันเกือบตายนี่เขาไม่ไล่ท่านออกแสดงว่าท่านประสบผลเร็วนะี่ยเลยฉลองเลยนอนไปเดือนนึงเลยลือบมดเลยน่าออกจากนิโรธแล้วไม่เอาแล้วกรรมาฐานนี่เข็ดแล้วมันได้ที่ไหนท่านก็ฝึกไปสินั่งไปเรื่อย ต่อไปมันก็ถึงท่านเป็นด้วยปัสนานจาย์อกเขียนไหมนี่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆน่นอย่างอย่างผมเนี่ยนะบริหารมหาจุฬาผมจะทำแผนผมเป็นรองที่การประดีฝ่ายวางแผนห้าปีแผนห้าปีในปีสองรส า, าสิบห้านะครับผมไม่รู้เลยว่าแผนนี้มันทำยังไง มหาจุฬาก็ไม่เคยทำตอนนั้นผมไปลองฝ่ายวางแผนผมไปเชิญสิทธ์เก่าที่อยู่ข้างนอกมาช่วยทำแผนช่วยเขียนช่วยทำช่วยอะไรต่างวันหนึ่งนัดทั่วทุกองหน่วยงานทั้งวิยาเขตอะไรมาประชุมเพื่ออธิบายเรื่องแผนที่เราทำที่คนอื่นเขียนให้เราทำ ทำแผนเสร็จเพื่ออธิบายในที่ประชุมผมก็นั่งรอท่านอธิการแาต่พระราชน้าโบรีท่านก็นอยู่ที่โอ้ยทั่วหมดแล้วปรากฏว่าวิทยากรที่เราเชิญไม่มาเลยนะท่านทั้งเช้าเลยผมต้องทําหน้าที่อธิบายเอกสารซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าให้คนอื่นเขาทํไอ้แค่คำว่าสมัยนี้สมมติวิสัยทัศน์กลยุทธ์มาตรการนโยบายเราไม่รู้เรื่องมันคืออะไรมันต่างกันยังไง ภาษาแผนดำน้ำโอ้ยทรมานมากๆเลยกว่าจะถึงเพนหนึ่งวันนั้นโอเพนได้ดีใจทุกคนรีบปล่อยก่อนเวลาเลยรีบไปชัดนเพนแต่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่ผมบอกกับตัวเองว่าผมจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกแล้วผมจะศึกษาเรื่องแผนที่พระมักจะเป็นยาเบื่อเพราะมันมีตัวเลขนีในต่างมีศัพท์มากมาย ผมกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผนตั้งแต่นั้นมาผมคุมแผนเองคนอื่นไม่ต้องแล้วผมก็พอผมเป็นอธิการบดีผมก็มอบหมายให้คนอื่นเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนนะั้นกี่ปีมาแล้วตั้งแต่ปีผมเป็นรองฝ่ายวิชาการก่อนปีสามาถนะ้าเป็นว่ายี่สิบปีเนะี่ยจนบัดนี้ผมยังไม่เคยเห็นรองอธิการบดีรูปไหนที่เป็นรู้เรื่องแผนเลยนะ ชี้แจงก็ไม่ได้พูดก็ไม่รู้เรื่องทำไมจะรู้ไม่รู้เพราะผมทำแผนมาผมรู้แต่ผมก็ทำเป็นโวงโ่ไม่รู้ มันน่าเศร้าเลยนะท่านยืมจมูกคนอื่นหายใจทั้งสถาบันเนี่ยแล้วแล้วเราสมมติเราจะเป็นต่างประเทศนะ่ยโควิเนอร์น่ยนะมอร์จรอีจุดสูงเน่ที่ผมพูดนะ่ถามว่าอาธิการผูพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมไม่เป็นแล้วมันจะโควินเนอร์ได้งไง ก็มีแต่ที่การน่พูดภาษากรนอยู่นั่นแหละมาถือประกาศได้ว่า 4.0 ไอ้คนอื่นทำอะไรยืนจะพูกคนอื่นหายใจใสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปดูว่าไอ้อลังการตุงไม่สำคัญบางอย่างท่านทำไห้ท่านต้องทำวัดประยูนเป็นวัด น, นักเทศเจาว่าเทศเป็นไหมได้ ผมก็ไม่เคยทิ้งหนึ่งเทศผมไม่ใช่จะตายตัตตกะฐานนะท่านะานะเทศนานี่กินมาหลายกันแล้วครับถ้าท่านอยากจะสในใจนะครับหกสิเอ็ดกันรวมไว้หมดเลยแจกดีเป็นเทน้ำเทท่าท่านมียั ง, ยงข้อกันที่การบัดีมี เออเอาเออไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปผมมีกำหนดไปพูดเรื่องยุทธศาสตร์ของอีกส่วนงานหนึ่งครับวิปัสนาเพราะฉะนั้นคมจบแค่นี้เดียวเขาว่าเขารอผมใช้ผมคุ้มเลยครับมากทีเดียวแต่ว่าประเด็นได้แล้วเนาะ ก็หมายถึงอะไรที่ผมพูดหมายว่างานของท่านเนี่ยไม่ได้จบที่ท่านเองมัน Impact อ, อนาคตผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะเวลากาหนดแค่นี้ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกรูปที่ได้ผ่านหลักสูตรตั้งแต่เริ่มฝึกหัดปฏิบัติด้วยความอดทนความเพียรพยายามและผลถึงความเพียรพยายามก็บรรลุผลทาให้ทุกท่านมาถึงจุดนี้วันนี้ ซึ่งจะเข้ารับประกาศเสดบัตรจากเจ้าประคุณสําเร็จเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สำเร็จพระสังฆราชกันปฏิบัติหน้าที่แทนสำเร็จพระสังฆรากันทุกรูปก็ข อ, อโมทนาชื่นชมอย่า ด, ดีและขออานาจแห่งขุนพระศรีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตะบะดีช้าพลาวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่แห่งพระธรรทูตยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุบัติรัยทราลทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภะปะฏิพาธ ร, รมาสารสมบัติธนามาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบในธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้ น, น, นจงพันสเร็จจพันสํสำเร็จจบพันธ์เร็ จ, จ, รจทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดกาลละนานเทอิน